อำนารรมเป็นความยึกซึ้งมากทางทจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียนรู้ผ่านความรู้สึกทางด้านจิตตธรรมนาเด่นกว่าด้านนั่นเอ ง, เอง คือความซึ่งในการให้ทานคือผมที่เกิดขึ้นจากการให้นทานที่ปจักษ์กับใจก็เป็นความซึ่งประเภทหนะึ่งเกิดจากการนับตาสีงก็วซึ้งประเภทหนะ่งที่เกิดจากการทําความดีทั้งหลายก็าซึ้งซึ้งแต่และประเภทเนี้เรียกว่าสนุนทรธรรมแต่ ท, ที่ที่รวมที่ซึ่งทั้งหลายก็คือที่ตักถอนมา เริ่มมีความรู้สึกทราบซึ้งไปตั้งแต่จิตนี้เริ่มมีความสงบจิตใจเรียนกระแสะเข้ามาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะแ่าจะยังมีอะไรอยู่ภายในจิตที่รวมเข้ามาก็ตากแต่ก็เริ่มแสดงความทราบซึ้งภายในตัวเองให้เห็นธาตถ้าจิต ซื้อทำเป็นอางด้านวัตถุแล้วคนทั้งโลกนี้คงไม่มีใครที่จะไม่นับถือศาสนาศาสนาธรรเพราะเป็นสิ่งที่โลกต้องการด้วยกันทั้งนั้นคําว่าดีคําว่าสุขคําว่ารื้อซึ้งคำว่าอัศจรรย์เป็นสิ่งที่โลกต้องการกันมาแต่การไห น, ไ, หนไม่เคยถือจา และยังจะมีความต้องการกันตลอดไปจงกระทั่งโลกนี้หมดความหมายรร้ความรู้สึกดีชั่วแล้วนั่นแหละโลกถึงจะมุกปรารถนาคาว่าธรรมหรือคำว่าความสุขความลึกซึ้งความอัศจรรย์ที่เกิดจากธรรมหรือความอัศจรรย์คือธรรมแต่นี้ธรรมไม่สามารถที่จะแสดงก่อ ให้โลกเห็นได้ด้วยทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเหมือนสิ่งมึนๆแม้จะเป็นนมามธรรมค่าคืนกับทรรก็ตามเช่นกลิ่นทำไมโลกถึงเมื่อทำแสดงตัวออกได้เช่นด้านวัตถุโลกมนุษย์จะต้องนับถื ศาสนาเพื่อทํามดูนั้นก็เพราะว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งใดๆบรรดาในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรนี้จะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเด่นชัดก็เด่นชัดที่จิตเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับทราบ แต่รับทราบเฉ พ, ะพาะจิตเท่งนั้นไม่สามารถจะแสดงออกไปได้เหมือนด้านวัตถุอย่างที่เขานำสิ่งต่างๆมาโชว์กันมัเป็นเป็นสิ่งนึงคือเป็นเป็นความขัดข้องอันนึ้งอย่างธรรมที่นำออกากาบวัตถุต่างๆไม่ได้ จึง ท, ทาให้โลกขาดความสนใจแม้ผู้ต้องการความอัศจ ร, ริก็ไม่ทราบว่าความสัศจรรนั้นคืออะไรหรือความลุกซึ้งความซาบซึ้งนั้นคืออะไรเพราะจิตไม่เคยได้สัมผัสกับความซาบซึ้งตาไม่เคยได้สัมผัสกับความอัศจ ร, รยิจรรย์เพราะไม่ใช่ด่าวตถุหนูก็ไม่เคยได้รับความอัจ ร, ร, จ ร, ริจากกระแสแห่งธรรม เพราะทำะแสดงเป็นกระแสะเสียงออกมาอย่างสิ่งทั้งหลายไม่ได้นีเป็นอุปสรรคอันที่จะทำให้คนเกิดความทัาซึ้งหนี่ยทำไม่ได้เกิดความเื่อถือในี่ยทำไม่ได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดที่จะมาตรัสรู้ในโลกและสอนทำแก่โลก ทุกะองค์แน่ใจว่าท่านต้องทรงคิดผ่านเราสิ่งเหล่านี้มากมายเป่นเดียวกันว่าวิธีใดที่จะพอให้โบกไปมองเห็นมรรมซึ่งเป็นของอักันนี้เพราะเขาออกตั้งวิโชในหน้าร้านไม่ได้มีอยู่ภายในใจิตใจแนะแสดงออกมาทางกายทางวาจาเพียงเท่านั้น เป็นเป็นสิ่งที่ชวนให้ดูดึงมากมายยิ่งกว่าการสัมผัสด้วยใจเมื่อไม่มีทางนำออกได้จึงได้ทรงนำออกมาด้วยการประกาศสั่งสอนที่ ท, ทางเหตุคือการประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจุดนัน้นๆหรือขั้นนั้นๆและ ประกาศสอนทั้งฝ่ายผลคือเป็นความประสงค์ทีอัศจรรย์าตามขั้นตามภูมิหน่งธรรมซึ่งจะพึงสัมผัสโดยทาง จ, จิตใจจนกระทั่งถึงความอัศจรรย์อันสูงสุดได้แต่วิมุต ค, ความหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่านิพพานภายในใจทุกทุ ก, ทกทองจำเป็นต้องประกาศสอนธรรม หรือหาอุบายเอานําความอัศจรรย์แห่งธรรมนั้นออกมาสู่โลกด้วยกระแสหรือด้วยอากัปคุริยาต่างๆเช่นการแสดงพระแสดงอากัปคุริยะของธรรมมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่องค์แห่งธรรมแท้แล้วนําออกแสดงไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้อยู่จำเพาะเช่นพระพุทธ เ, ทเจ้าแต่ละองค์นั้นหรือพระอรหันต์แต่ละองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมอัศจรรย์ดัง ทิกอาอัจจานังกลางไม่มีองค์ใดในความบกพร่องในบรรดาพระอรหันต์จนถึงพระพุทธเจ้าทระพุทองค์เป็นผู้ทรงแง้วซึ่งทำอัิจานุหลวงนี้คืออัจจาู่ทีิจิตเป็นแต่เพียงไม่สามารถที่จะนําความอัจจรย์ที่ปรากฏอยู่นี้ออกแสดงตัวได้อย่างอิ่มพรมแห่งความอัจจรย์นี้เท่านั้น จนได้หาอุบายวิธีนำออกทางกิริยาซึ่งก็เป็นอาการแห่งธรรมเท่าไรไม่ใช่ธรรมัมนแท้จริงยังสาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้ตามคำพูดโบาณเหล่านี้เป็นอาการของธรรมทั้งหมดกิริยาที่ท่านสอนก็เป็นอาการแห่งธรรมเช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นธรรมแท้ก็คือผู้ปฏิบัติหรือผู้ได้สนับสนองจากการสอนของท่านตามเรื่องราวต่างๆแห่งธรรมโดยวิธีปฏิบัติ แล้วสัมผัสขึ้นภายในจิตใจของตนโดยลําดับลําดับนั่นคือว่าอะไสัมผัสทำแท้แม้จะมากน้อยเพียงไรก็เป็นที่ทราบซึ้งภายในจิตใจของผู้ได้รับสัมผัสจากการปฏิบัติของตนถ้าพูดถึงอุบายของความขนาดแหลมคมในวิธีการสั่งสอนแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้แม้จะน่าก็ได้ทรงนําออกมาเท่าที่เห็นส ง, งควรจะเป็นไปได้แจวลงมนุษย์ทท่านั้น อย่างอื่นไม่สามารถที่จะนำออกได้เพื่นความอริจารย์ไม่ทัไทยจริงๆที่จะนำออกมาพิฆาตให้สารโลกได้เห็นว่านี่ความอาจารย์ของตถาคตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นอย่างนี้พวกผ่านทั้งหลายเห็นไหมอย่างนี้ทำไม่ได้นี่ความอาจารย์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแต่ควาที่เด็ดครอบงำอยู่เป็นเหมือนกับมูงสดมูลแห้งแต่เวลานี้กลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทุกป่องหรือเป็นผู้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อัศจรัน์ขึ้นมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายเห็นไหมนี่ดูเอาท่านเองท่านทําอย่างนี้ไม่ได้จึงได้สอนดูวยอุบายวิธีต่างๆให้ผู้ปฏิบัติและบอกเรื่องาวไว้บอกผลก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือมีแต่ลมพู้หน่อยๆนํานออกมาพูดนี่ก็เป็นลปามปากไ้เองความจริง อ, ออกมาไม่ได้จนอัศจรันตินี่นน ธรรมชาติที่อัศจรรย์นั้นออกมาไม่ได้เราจะนําออกมาแต่กีดีว่าธรรมชาตินั้นอัศจรรย์เห็นเราได้คาดได้หมายเองว่าเป็นยังไงอัศจรรย์นั้นก็มาหาสงสัยแต่อย่างไรก็ตามหลักใหญ่ที่จะทําให้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เป็นของอาจารย์หลานี้ก็เชื่อตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นแน่ เป็นความถูกต้องแต่พิจปฏิบัติดำเนินตามจะยากลําบากเพียงไรก็ตามทางเดินอยู่ที่ตรงนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่ปิดและเพื่อความสะดวกสบายแล้วถึงที่จุมหมายเช่นเดียวกันกับที่ดำเนินเพื่อความลาบากอย่างนี้ไม่มีเพราะการยากด้วยการลําบากใดๆก็ตามเราอยากถือมาเป็นอุปสรรคในการดําเนิน คือการปฏิบัติของเรายากก็ต้องฝืนทุกข์ลำบากก็ต้องผดเพราะเป็นภาระของเราจะต้องทำจะต้องแบบต้องหามในขนาที่ทำงานนั่นแหละคําว่าทําเป็นหนทางาจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตจะเรียกว่าจิตก็เรียกได้แต่ในขนาที่ ยังท่ามิขันด้วเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตของพระอรหันต์จิตของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพียงเท่านัเพราะทามจากขันไปแล้วไม่มีสมมุติพอที่จะภาคผิงเทียบเทียมกันได้เลยจึงพูดไม่ได้แม้ธรรมชาตินั้นจะอาจารย์ดตามหลักธรรมชาติเขากรมเพียงไรก็าตามก็ไม่วิสไม่ใวิสัยเราที่จะไปพูดไปเรียกไปเทียงได้เพราะไม่มีสมมุติเป็นที่พึ่งผิดหรือเป็นที่เทียบเทียม เส้นเดียวกับเราอยู่บนอากาศึจริงๆแล้วพิษใต้พิษเหนืออยู่ทางไหนไม่ทราบค่ะทารามีที่อยู่เช่นอย่างบนพืนแผ่นดินนี้ตอนออกตอนตกนเราพูดได้พิษเหนือทิษใต้เราพูดได้พอมีสิ่งที่พอจะเทียบเทียงที่พอพูดได้ว่าพิษใดทางใดเป็นพิษของอันไหนเหนือทิษใต้สูงต่ำมันสูงต่ำก็หมายเอาพื้นดินของเราที่อยู่นี้เป็นรากฐานไว้ แล้วสูงจากนี้ไปสาลายต่ําไปเท่าไหร่เหนือไปสาลายใต้เท่าไหตอนออกกัออกไปยังไงมันพอพูดได้ถ้าหากว่าอยู่บนอากาศเจริงๆไม่มีอะไรพาดพื้นพอจะวัดเนะี่ยมันพูดไม่ได้เลยเหมือนอย่างเราบินที่มันบินบนอากาศหรือไม่ทราบมันข้ามมันเร็วท่าไหร่เนี่ยถ้าผ่านก้อนเมื่อแล้วก็ทราบล้วมันเร็วสายตาของเรานี่ เครืบินมันสู้รถโดนไม่ได้สายกาผ้าทางพวกเราเนี่ยรถโดนมันวิ่งตามถนนนี่โอ้โหต้นไม้มันล้มไปข้างหลังนั่นรจนมันวิ่งข้างหน้าแต่รถต้นไม้สองภาคทางมันล้มขึ้นข้างหลังร้มย้นย้านหลังไปเป็นลันนาวไปเลยความจริงต้นไม้มันก็อยู่เฉพาะมันเป็นเพียงว่ารถโดนมันผ่านไปมันมันมีสิ่งที่สัมผัสพลาดพลาดถึงแล้วก็เหมือนวารถมันเร็วมันช้า เรืบินไม่มีอะไรพลาดทิ้งมองก็ไปจนเอวยๆเหมือนกันก็โรบินมันช้ากว่ารถดความจริงก็โรบินมันเร็วกว่ารถโดยสาร อ, อย่แล้วในหลักธรรมชาติในเมื่อเทียบถึงจิตใจของบุรีชนกับจิตใจของพระเจ้าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอันไหนที่ท่านบัดดีอันไหนท่านบัดประเสริฐบุรีชนลำนักจะว่าไม่ประเสริฐไม่ดี สิ่งที่เะของชอบมันจ้เร็วขนาดไหนมันก็ดีอันนั้นนี่เป็นเหมือนรถเนตนมันนี่เร็วกว่ากระบินนั่นเองการปฏิบัติจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้ดีจะทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องพัวพันในจิตใจ มากคืเรื่องของใจนั่นแหละเป็นผู้ก่อเรื่องเองลิกขึ้นมาเรื่อยๆมันหยุดไม่ท้อยแล้วเราก็หลงอารมณ์ของใจที่มันแสดงออกถ้าเกิดความเกิดร้อนมึนมาเกิดความเสียใจก็เพระความคิดของใจเกิดความดีใจเพลิดเพลินก็เพาะความคิดของใจที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองแล้วก็หลงอารมณ์ของตัวเองมาสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ความจริงสิงนั้นนั้นเขาก็เป็นอยตามธรรมชาติของเขาเขาไม่ได้มีความหมายในเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้ให้ความหมายแล้วก็หลงความหมายของตัวเองเราเป็นความดีใจเสีย ใ, ใจกับสิ่งนั้นๆถ้าพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นมาตรัสรู้ที่เมืองมนุษย์นี่เมือม น, นุษย์ ม, ม, นนษมันสมบูรณ์ด้วยศัจธรรมคือเห็นได้อย่างชัดชัดทุกครั้งอเยจจังก็มีจักรกาย ม, น, น, ม น, นุษย์มนุษย์รู้เรื่องความทุกข์นะ มนุษย์ฉลาดมนุษย์ทายาทิยาสั จ, จังก็มีอยู่ภายในใจของมนุษย์มักทุ่มประจุบันปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสกันหาสภาวะมนุษย์ก็ทราบมักคืออะไรสึงไปมาที่ปัญญาสรุปลงแล้วนิโรความดับทุกมนุษย์ก็ทราบแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงมาสอนทำในแดนมนุษย์เพราะเป็นศูนย์กลางแห่งภพทั้งหลาย เราเกิดในท่ามกลางแห่งพบแห่งา่าแห่งศาสนาเราก็ควรจะปฏิบัติตัวของเราให้ถูกตามจุดถึงการของศาสนาเพื่อจะรู้เรื่องของศาสนาธรรมซึ่งมีอยู่ในท่ามกลางหัวใจเราธรรมอุตสธย์ก็มีอยู่ที่นี่ไม่มีอยู่ในที่อื่นใดทั้งหมดที่เราจะเอื้อมถึง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 ถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบอกเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยได้จากความคิดตงึงต่างจะขึ้นไม่มีเวลาอีกเวลาถอยเลยขึ้นถึงหวัวใจนเนี่ยตรงแต่งทึ่งคิดดูเราพยายามจะทำให้สงบมันยังสงบไม่ได้เพราะเหตุอะไรความไม่สงบก็คือความคิดนั้นเองอพอคุณตลอดเวลา คิดออกไปแล้วก็โอยทุกข์เข้ามาแต่ตัวเองคิดออกไปมากน้อยอย่างไรโอยทุกข์เข้ามาตัวเองอยู่อย่างนี้ทั้งเข้าทั้งออกเข้าเป็นสมุทยัยออกออกไปเป็นสมุทยัยเข้ามาเป็นทุกข์คือตรงออกไปนั่นเป็นสมุทัยเวลาผมย้อนกลับเข้ามาสุ่ที่ใจก็คือทุกข์นั่นคืออยู่นั้นตลอดเวลาเราจะทำให้มีความสงบเพียงเล็ ก, ลกน้อยน้อยนั้นต้องฝืนกันเต็มที่ แม้เช่นนั้นมันยังต้องผักดันออกคิดออกรวมจนได้ขณะที่เราเถอะน่ะเนี่ยเรื่องของสมุทัทยที่จะที่คลึกทุกข์อยู่โดยสมัครเสมอมันอยู่ที่ายมันเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการกําหนดรู้การแก้ไขสมุ ท, มทยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้คอยดจดต้องมองดูและงับดับมันที่ตรงไห น, น จะนั่งอยู่ที่ไหนเดินที่ไหน อ, นอินญาเยาบททั้งสี่ดูที่จุดนี้ทั้งนั้นบรรดานักปฏิบัติท่านทํำไหนแต่พ่ออยากยงินน่งขึ้นนักบวชผู้ปฏิบัติเอากระแนปลาก็เพื่อจะระงับอันนี้คือฮารสถานที่อันเหมาะสมในการบําเพล่แต่ในบ้านก็ตามไปที่ไหนอูที่ไรก็ตามมีความจดจอ่อสุบเนื่องกันโดยลําดับต่อความเพียรเพื่อจะถอดถอนสมุทัยเป็นเสื่อนนมหาต่ อ, อจิตใจ มันระงับดับไปจะมีความสุขความสบายขึ้นมาได้เราจะเห็นได้นะชัดในขณะที่จิตสงบตัวลงไปความคิดตุงไม่มีความวุ่นวายก็ไม่เกิดะความทุกข์ก็ไม่ปรากฏขณะที่จิตสงบทุกข์ก็สงบไปด้วยเมื่ความตุงมันสงบสมุทักทยก็สงบตัวไปด้วย ทุกข์ก็สงบตัวไปด้วยหรือจากความเย็นสบายอย่งสงครามในจิตเป็นอย่างนี้ต้องอาศัยการต่อสู้ด้วยความภาคเพียนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเกลียต่อสู้กับสงครามที่มันขอเกลนอยู่เสมอภายในใจิตใจให้ระงับดับลงไปเรื่อยๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราก็พอเห็นโทษแหงความคิดตุ่มทั้งหลาย ที่มันก่อควรอยู่เสมอเสมอเสมอมาและเหงคุณแห่งความสงบใจว่าเป็นความสุขสงบมากน้อยกัเป็นความสุขขึ้นมากน้อยตามฐานแห่งความสงบหรือกําลังแห่งความสงบนายาำราท่านให้ว่าสมาธิอจิสตสงบลงไปแล้วไปรวมตัวอยู่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิต ร, รวมลงเป็นสมาธิ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 แต่นหนามันคงในความบอกแบบความแผนเหมือนเราได้อยู่ในต้นไม้ชายคานั่นเองเวลาฝนตกเราก็อยู่สบายแดดออกก็สบายเพราะไม่ต้องาแบบตากแดดตากฝนจิตใจที่มีฐานแห่งความสงบสุขภายในตนก็เช่นนั้นไอ้ทั้งแรบงบกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ให้ยุ่งเหยิงวุนวายอยู่ไม่ขาดวักขาดตอ่อเพราะความสงบเป็นที่อาศัยของใจ เดียว่าสมาธิสเป็นสิ่งเป็นเรวอนใจอันหนึ่งปัญญาคือความแยกหายความคิดความคิดพิจารณาสอบสอบในเหตุในผลทั้งทางนอกข้งในเบ้งบนเบื้งล่างสถานทางภายในร่างกายของหน่ตลอดถึงกระแสของจิตที่คิดออกในเนี่ยใดว่าจิตปัญญาตามทุกพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลตามความคิดของตัว ของใจนิกามสภาพทังแข็งขันที่มีในตัวของเราอเห็นตามเป็นจริงจะไปปีนเปรียวกับความจรการพิจารณาทำทั้งหลายพิจารณาตามความจริไม่ใช่จะถึงความจริเกิดเนี่ยก็เกิดมาแล้วแก่ก็แก่มาตั้งแต่วันเกิดแก่มาเป็นลำดับเป็ น, บบนาอายุสี่ปีก็แก่มาแล้วทั้งปิดนะ่ะตัวทั้งถึงอาวาสาวะในชีวิตมันแก่เป็นที่แล้วมันก็สลายเนี่ย มันแจ่มาตั้งแต่ขนาดที่เกิดแต่วันแจกเดือนแจกปีมาแล้วก็แจกมาหลายๆปีแจกม า, า, าเรื่อยๆหลัง ว, ว่าคนเจริญติบโตมันแจกจะเป็นอะไรไปพิจารณาตามเรื่องมันนี่นี่คือทางหลวงทัศติธรรมดาหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาเห็นตามสภาพนี้เราอยากฝืนเขามันแจกแล้วก็ไม่อยากจะแจกจากหนุ่มอยู่เสมอจากเา้ายังเสมอนคือว่าฝืนความจริงมันเป็นทุกข์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 แม้มันตายเพราะบังคับมันก็ไม่อยู่บังคับมันก็ไม่อยู่มันต้องเป็นไปตามหลัหรธรรมชาติห้องนอนพิจารณาตามความจริงข้องมันอย่างนี้เราก็สบายเอามันไปไหนก็รรู้ตามความจริงมันไปมันเจ็บมากเจ็บน้อยทุกมากทุกน้อยจนกระทั่งทนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือความตายในข้ามขันนี้ที่สุดตรงมีทั้งนั้นคอ้ทราบตามความจริงหมองหรือไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปตั้งควำหยากขึ้นเพราะตั้งควำหยากก็คือความบกพร่องคือความหงหงินั่นเอง ความหิวไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนเวลาอะไรด้วยอาการใดขึ้นหิวนอนนั่นก็เป็นทุกข์หิวข้าวก็เป็นทุกข์นี่ที่หิวน้ำก็เป็นทุกข์มันเป็นความดีเมื่อไรความหิวความโหยหรือความหิวความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันล้วนตั้งแต่เรื่องก่อปวนเรื่องให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านจึงไม่ให้ฝื้นปัญญาหพิจารณาแต่จองตามหลักธรรมชาติทั้งมันที่เป็นไปอยู่แล้วมีเหนือกว่าปัญญาค่อยติงเตีอวกันกับความติ่งมันก็สามาย เอาเรียนในตัวของเรานี่เรียนเรื่องความเกิดด้วยเรื่องความแก่ด้วยเรื่องความเจ็บด้วยเรื่องความตายด้วยเนี่ยมันมีด้วยกันในก้อนธาตุอันเดียวกันนี้ในธาตุจากันแหะเรื่องความเกิดก็ธาตุอันนี้เกิดมาเจริญหรือแก่ขึ้นมามันก็แก่ขึ้นที่นี่เจ็บมันก็เจ็บที่นี่ส่วนไดส่วนหนึ่งจนได้มันเจ็บูที่นี่มันตายมันก็จะตายที่นี่เรียนก็ให้เรียนรู้ที่นี่จะไปรู้ที่ไหนเรียนธรรต้องเรียนรู้ที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนก่อนอื่น เรียนรอบเรียนตกเรื่องทางความเกิดอกอกาาของตัวเองความแก่ของตัวเองทวามเจ็บความทุกข์ความทรมานทั้งดของตัวเองเรียนตกความตายงตัวเองแล้วมันก็ฉลาดเรียกว่าฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่รอบตัวทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวคนที่เรียนรู้อัดรู้ทำให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีอยู่กับตัวด้วยการปฏิบัตินี้แล้วผู้นั้นไม่หวั่นไหว เนี่ยทำไย่างนี้จึงเดียกว่ารู้จริงเดียกว่าฉลาดฉลาดอย่างนี้ให้ฉลาดเพียงจําได้เฉยเฉยฉลาดด้วยแกความงสงสัยแกความขดามัดข้องตนด้วยแกความยึดมั่นถือมั่นสําคัญตัวของตนด้วยให้เหลือแต่ธรรมชาติล้วนๆโดยการแล้วก็สมายขันก็ให้เป็นขันล้วนของเขาไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแย่งชิงอำอำนาจไปกดขี่บงังคับเขาให้เขาเป็นอย่างนั้นถ้าขาเป็นอย่างนี้อย่าไปบงังคับเขาเขาเป็นอย่างในตัวเองของเขาหยิบก็พิจารณาตัวเอง จนกระทั่งทราบเองถ้าจะบังคับไปบังคับจิตที่มีอะไรอยู่ภายในนั้นแก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งมันลงในหลักธรรมชามติก็รมชาติบังคับเหมือนกันจิตเป็นจิตคือรู้เป็นรู้ถ้าเป็นภาตุขันเป็นขันอะไรแจก็แตกถ้าด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วไม่สงสัยตั้งแต่ยังไม่ตา ก, ก็ทราบตรงหน้าไว้แล้วตายแล้วจะไปสงสัยกันที่ไหนมันยี่แสดงความจริงกับมาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเรียกว่าเรียนธรรมเพียนอย่างนั้นรู้แล้ อาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจงมุกเป็นเรื่องของโลกทั้งนั้ น, นผ่านดุขันหวัวยศนาดุ่านันท้าดันสิแ่แอนนันเป็นอาการอันหนึ่งที่เราแยกออกตามสมมติปัญญาเป็นอาการอันหนึ่งสติก็เป็นอาการอันหนึ่ง็เนเรื่องของใจแต่เป็นธรรมเครื่องแก้แก้สิ่งที่โมหมองฆ่าล้างสิ่งที่โมหมองออกไป จนกทั่งเกิดความปลอดใสขึ้นมาภายในจิตใจเพราะหน้าของตัญญาเป็นภูธาร่างสงสัยเลยปลอดใสไปแล้วก็ บ, บริสุทธิ์นะแต่นายจริงบริสุทธิ์ก็เพราะมนตรพันหมดประจักษ์ใจความตําคัญต่างๆที่เป็นเรื่องกิเลสมันหมดประจากใจใจก็บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์น่นแหละชื่อเรียนเรื่องของตัวจบอุตตังกรรมะจัยยังกตังกรณีย่างนี่ตรงกับทําบทนี้ จะหยุดในศาสนาพุทธมันหยีดจบแล้ว <Yeah. S 1> ที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปไม่มีหทุกวันทำและทำตัวเองแล้วแน่ <Yeah. S 1> กระรู้ที่นี่เพราะความหลงมันอยู่ที่ใจนี่เราเรียนเรียนเพื่อจะแก้ความหลงของเรานั่นเองการรู้ที่นี่มันหมดความหลงแล้วจะรู้อะไรไปอีกเนี่ย <Yeah. S 1> ถือว่ายิ่งกว่านี้ไม่มีจะหลงอะไรไปอีก มันไม่มีหลงแล้วนี่ที่น่จะรู้รู้รอบขอบคิดแล้วนี่แหละคิดดวงนี่แหละที่กล่าวในเบื้องต้นนั้ น, น, นเป็นธรรมเป็นธรรมประเสริฐเป็นธรรมอัศจรหมายถึงจิตถึงธรรมดวงนีน้แต่เป็นสิ่งที่ ท, ทราบอยู่โดยลําพังตัวเองเท่านั้นดยูโดยเฉพาะตัวเองอัศจรก็ทราบอยู่ภายในจิตตัวเอง อาเซย์ก็ทราบอยู่ายในจิตแต่ไม่สามารถที่จะนําออกขี่คายออกโชว์ตามเหมือนอย่างสิ่งต่างๆได้เพราเพื่อต้องการโชว์ของตัวเองพอให้ทุกประพฤตปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ตัวก็ปกโซมงทั้งหลายออกนั้นเสียสิ่งที่ประเจิดนักพิการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในธรรมชาติโดยธรรมชาติของตัวเอง คือกินี้จิตอันนี้เียนมจบเรียนโลกจะจบตรงนี้โลกกคือโลกแห่งขันนั่นเองโลกแห่งธาตุแห่งขันที่มีอยู่กับตัวงเราเรียนทรรก็คือทํามขันไหนจะว่าไรจนกระทั่งถึงนี้มุติธรรมจบเรื่อการทํานเรียนโลกกระจบเรียนทรรก็รอดกระจบหายสงสัย ม่มีอะไรที่ใจสงสัยตับอีกดูนะก็ดูไปเธอถ้าเป็นอย่างนั้นนะสงครามก็ระงับดับหมดสงครามระหว่างติดกับพี่เล็รือว่ระหว่างทำกับพี่เล็มันก็ขึ้นสุดกันแบบนั้นรู้พบรู้ทัดรู้กันที่นี่หรือกองทุกในวัฏสงสารคือกลายเป็นเป็นนัก่องเกี่ยวในวัฏสงสารกรู้กันที่นี่รู้กันทีนี่รู้แล้วก็หมดปัญหากันที่นี่ โลกกว้างแสนกว้างไมีอะไรเป็นปัญหามีปัญหาเฉพาะเรื่องใจเท่านั้นเองใจที่หลงตัวเองครับหลงสิ่งทั้งหลายงดแทะตัวเอ ง, งเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจนเดินสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วข้อหมดปัญหากันเท่านั้นเท่นั้นแล้วไม่มีปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผ่า น, นเรียนทำจบเปลีอย่างนี้เรียนโลกท่าเนี่ยขันจบก็จบตคนที่หนึ่งลังพยายามทำ ไปให้เห็นความอาจารย์ดังที่กล่าวแล้วในมันตบพระพุทธเจ้าก็ดีพร ะ, พระสงฆ์สาวกอีท่านมีธรรมอรัจจานิพพานในพระไถ่ ใ, ใจเราก็เป็นลูกศิษย์สถาบันนี้อันหนึ่งที่จะสามารถแสดงความจรย์ออกได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะภาษาให้ลงสุดเช่นเดียวกับพระพุธทธเจ้าสถาบังหลายๆคุปรินนาให้พยายามทําให้มันปอกอายให้สงบ ความพยศก็คือความฟุ้งซ่านนั่นเองออืความหาพยศก็คือความสงบถ้าสงบแล้วปลาศกถ้าไม่สงบแล้วร้อนเป็นเพนเป็นไฟอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปถ้าสงบแล้วอยู่ไหนก็เย็นได้เย็นที่ใจนี่แหละทําให้ใจยเย็นร้อนก็คือใจร้อนไปเป็นอย่างหนึ่งร้อนใจนมิร้ายิ่งกว่าไฟพยายามดับไฟที่เดชะนาเะว่าที่มันเป็นอยู่ภายในใจนี้มันเหลือแต่ธรรมชาติ ทำแท้แล้วก็เย็นไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาอนุติตรงเกียนแท้่ะ